วันนี้ก็เป็นวันแรมสิบสามค่ำเดือน9้าปีมะโรงตรงกับวันศุกร์ที่14บสี่กันยายน2555ห้าสิบห้าเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบในการมรณนภาพของหลวงพ่อเทียนครบยี่สิบสี่ปีซึ่งท่านจันไปสาร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 การออกจากความคิดด้วยการเจริญสติแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนหลังไปก่อนที่หลวงพ่อเทียนจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยในประเทศไทยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิแบบนั่งหลับตาใช้ลมหายใจบ้างมีคคำบริกรรมบ้าง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 บางทีเรานั่งนานๆมันก็ปวดเกาเมื่อยนะบางทีก็คิดฟุ้งซ่านไปบางทีก็มีอาการเบื่อขึ้นมานาะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแตนะ่ที่มันมีอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เคยได้มาดูเรื่องนี้เพราะว่าเราไปสนใจแต่สิ่งภายนอกกับการงานกับหน้าที่กับคนรอบข้างกับคนในครอบครัว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 แปลเปลี่ยนไปได้แล้วก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขวิธีการหลงพ่อเทียนเนี่ยเท่าที่ได้เรียนรู้จากการฝึกจากการอ่านจากการได้ยินให้ฟังเนี่ยพอสรุปได้เป็นสองขั้นตอ น, นขั้นแรกก็เรียกว่าขั้นรูปนามนหรือบางทีเรียกว่าเป็นขั้นสมมุตินในขั้นนี้เนี่ยก็คือการที่เรามา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 ส่วนนามก็คืออไรที่สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปรู้ในรูปนั้นเพราะนั้นในเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าให้รู้รูปรู้นามนาซึ่งการรู้อันนี้ไม่ใช่คิดรู้นะเราฟังนี่อย่าไปคิดรู้หรืออย่าไปพยายามให้มันรู้หมายถึงว่าคิดย้ายมันรู้นะแต่เมื่อเราทำความรู้สึกตัวเนี่ยด้วยการเคลื่อนไหวบ่อยๆ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 ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงและมันทนอยู่ไม่ได้และไปบังคับบัญชาไม่ได้ในสะิ่งตรงนี้เราเรียกว่าอ น, นิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองในะซึ่งคนที่ฝึกปฏิบัตนะิอย่างต่อเนื่องเนจะเห็นสิ่งเหล่านีนะ้จริงๆมันก็แสดงตัวของมันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้นะทีนี้พอเห็นทุกขงนนังอนิจจงอนัตต์แล้วนะทีนี้ก็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 นะจากความรู้สึกตัวเนี่ยนะแล้วก็ไปรู้ความฉลาดปัญญานะที่เกิดขึ้นนะเราทาแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นนะท่านเรียกว่าบุญนะหรือบางทีทบางทีเราก็รู้ความโง่เขลาของเราความหลงของเรานะก็บาปนะเรียกว่ารู้จักบุญรู้จักบาปนะอันนี้เป็นในในขั้นแร ก, นะกเรียกว่าขั้นรูปนาม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 ตัวกับผมเรียกธมะเองแล้วก็ได้กลับมาดูกลับมารู้สึกตัวอีกหลังจากที่เราเผลอเข้าไปในความรู้นะที่มันแตกฉานออกมาเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนขั้นแรกเทนะ่าที่ได้ได้อ่านหรือว่าได้จําแล้วก็ได้อมาทดลองปฏิบัตินะในขั้นขั้นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าขั้น p รมัต a t นะหรือบางทีก็เรียกว่าขั้นนามรูปนะขั้นนี้เนี่ยนะเราจะเห็นสิ่งที่มันมันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปภายในตัวเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยนะเราเรียกว่าวัตถุนะวัตถุนะจะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากการกระทบสัมผัสนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น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 ความรู้สึกตัวมันจะเร็วมากมันจะไปเหมือนกับไปละลายเลยนะอันนั้นสำหรับคนที่ฝึกอพอสมควรแล้วแต่คนที่ยังฝึกอินเสียังไม่แก่กล้าก็อาจจะยังโกรธแล้วนะก็มารู้ทันเอาทีหลังนะซิ่งตรงนั้นโดนความโกรธมันครอบงำเป็นเหตุรอยแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันใช้ไดนะ้ตั้งแต่ต้นจนถึงกลางนะครับเปื้องปลายเลยนะ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 เข้าใจธรรมะถึงที่สุดเนี่ยตอนเก็บไฟล์นะนี่อันนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังก็คือถึงที่สุดก็คือมีความรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวมันจืดแล้วก็บอกหลวงพ่อเทียนว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรตอนนั้นหลวงพ่อเทียนยังไม่ได้เป็นพระเป็นโยมท่านรู้ธรรมมาแล้วท่านมาสอนคนแรกก็คือสอนภรรยาของท่านคนที่ทําให้ท่านเนี่ยได้ไปค้นหานี่เองคนที่บอกว่า เ, าเจ้ากระตกนรกนั่นแหละนะท่านก็มาสอนแล้วก็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 แล้วก็อาศัยอานาปนานสตินะใช้ลมหายใจแ้ะก็สงบแล้วในช่วงนั้นก็ไปอ่านหนังสือหลายเล่มนะเขาบอกให้มองจิตให้ดูจิตให้ตามจิตนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะก็มึนหัวเลยนะฝึกไปอย่างนั้นเนี่ยนะได้มาเจอกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขมเขีย น, นท่านบอกว่าอย่าพิ่งไปสนใจความคิดนะให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญ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 แต่จริงๆเนี่ยคนทุกคนนะประลาชิกสี่ก็คือขาดจากความเป็นพระมีอะไรบ้างนะข้อแรกเขาบอกเสพเมตุนเสพเมตุนนี่เราจะไปว่าใจเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่ในความหมายของหลวงพ่อเทียนนะท่านหมายถึงว่าเราไปคุกคีกับความหลงนะและความลืมตัวอันนี้ก็จะทําทให้เราขาดจากความเป็นพระนะอันที่สองก็คือรับของเขา รักของเขาเนี่ยก็คือได้ยินได้ฟังภาวะสภาวะทำอะไรต่างๆจากครูบาอาจารย์แล้วนะแล้วก็เอาไปเป็นของเราทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ทำนั่นหะ ก, ก็คือรักของเขาก็คือไม่ได้ทำนะไปเข้าใจว่ารู้แล้วนะแล้วก็อันที่3ามก็คือค่าสัตว์สัตว์ในที่นี้ไม่ใช่สัตวะนะสัจจะคือความจริงความจริงที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเราทิ้งไปเราไม่ได้เรียนรู้เขา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 พุทธบริษัทสองนี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเคด้ยินจากพุทธบริษัทสีท่านบอกพุทธบริษัทสองมีผู้หญิงผู้ชายทุกคนสามารถเข้าใจได้ถ้ามาประพฤติธปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะกับตัวเองด้วยความเพียรด้วยความพยายามนะสิ่งที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งจดจําอ่านมานะก็เป็นความรู้ที่ได้จากการจดจําอีกส่วนหนึ่งได้จากประสบการณ์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 กับพวกเรานะที่ได้มาพฤติปฏิบัติและได้เห็นเส้นทางนะของการเดินทางที่ชัดเจนขึ้นอันในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้ความภาคเปลี่ยนพยายามของทุกท่านเนี่ยเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำหนุนเนื่องส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นนะได้เข้าใจนะสิ่งที่เป็นความจริง นะก็คือความเป็นปกติของใจโดยทั่วหน้าทุกท่านเทรนเจริญพร